hmm กันมากก็คือการมีคุณธรรมโดยเพราะทำงานในระดับองค์กรที่แม้เราจะทำงานคนเดียวเป็นฟรีแลนซ์เนี่ยก็ต้องมีคุณธรรมด้วยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะทำให้สิ่งงานที่เราทำเป็นสัมมาชีวะนะสัมมาชีวะนี่ก็เป็นสิ่งที่ผูู้์เจ้าจัดได้งานแล้ว คุณธรรมที่ว่าเนี่ยนะที่สำคัญคือความเชื่อสักด์สุดเจริงแต่ถามว่าเท่านี้พอไหมอัตอมาว่ามันมันก็พอนะแต่ว่ามันควรจะมีมากกว่า น, นั้นสิ่งที่ควรมีควบคู่ไปด้วยเนี่ยคือความสุขความรู้บวกทักษะบวกคุณธรรมถ้ามีความสุขด้วยเนี่ยจะทำให้การทำงานเนี่ยมันได้ผลดี และคุณธรรมเนี่ยมันจะเป็นจริงได้เนี่ยก็ต่อเมื่อคนเราทำงานและมีความสุขถ้าคนเราเนี่ยสามารถหาความสุขได้จากงานที่เราทำการที่เราจะหวั่นไหวต่อเงินทองต่อราสั ก, กรละโดยเฉพาะที่ได้มาโดยไม่ชอบเนี่ยเราก็จะไม่ค่อยหวั่นไหวเท่าไหร่ คนเราต้องการความสุขนะชีอของเราเนี่ยถ้าไ ม, ไม่มีความสุขหล่อเลี้ยงเนี่ยมันก็เป็นชีวิตที่น่าเบื่อแหงแล้งถ้าเราทำงานแล้วเราไม่มีความสุขเราก็เบื่อคนทุกวันนี้เนี่ยหลายคนไม่ได้มีความสุขจากการทำงานจตกก่เขาทำงานเพราะว่าเขารอหวังผลตอบแทน เช่นเงินเดือนยอมกัดกันยอมอดทนทำงานเพื่อจะได้มีเงินเดือนหรือว่าค่าจ้างและถ้าทำด้วยความรู้สึกแบบนี้ถ้ามีโอกาสทุจริตมีโอกาสจะได้เงินก้อนโตโดวยวิธีที่ไม่ชอบเขาก็จะทำเพราะนั่นคือความสุขของเขา คนเราถ้าเอาความสุขไปปลูกติดไว้กับเงินทองเนี่ยโอกาสที่จะชุบจริตไม่สามารถจะมั่นคงในคุณธรรมเนี่ยก็เกิดขึ้นได้ง่ายแต่ถ้าคนเรามีความสุขจากการทำงานมันก็มีแรงจูงใจให้ให้ทุบจริตน้อยลงสามารถจะมั่นคงในคุณธรรมได้อ น, นี้เราจะมีความสุข ากการทำงานได้อย่างไรสิ่งสำคัญคือว่าต้องรักรักงานนั้นคนเราถ้ารักงานเนี่ยเราทำเราก็มีความสุขถ้าเราไม่รักในงานนั้นนะเราก็ทาดัดสังกตายทำอย่างขอไปทีหรือทำเพราะมีความจำเป็น บ, บีบบังคับเรียกว่าทาด้วยแรงผั แรงผลักหลายคนทำงานเพราะว่าถูกบังคับตัวจนตัวลำบากหรือว่าความจำเป็นบังคับอันนี้เราทำด้วยแรงแต่จะดีกว่าถ้าเราทำด้วยแรงดูดหรือแรงดึงแรงดึงดูด น, นะหรือแรงดึงเนี่ยอาจจะได้แก่วิสายพั์หรือว่าจุดมุ่งหมา ย, เ, ยเวลาเรามีจุดมุ่งหมายบางอย่างเนี่ยนะ เราอยากจะไปถึงจุดมุ่งหมายนั้นเนี่ยมันก็มีแรงดึงดูดให้เราไปทําสิ่งนั้นแล้วจะเป็นจุดมุ่งหมายที่ดีงามเนี่ยมันก็เป็นแรงดึงดูดที่ทําให้เราเนี่ยเกิดความขยันหมั่นเพียรได้การที่เรามีจุดมุ่งหมายและอยากไปถึงจุดมุ่งหมายนั้นเนี่ยมันทําให้เรามีความสุขที่ได้ทําเพราะนั้นเนี่ยในองค์กรหลายแห่งหลายแห่งเนี่ยก็พยายามทําให้คนเนี่ย มีวิสัยทัศน์มีจุดมุ่งหมายร่วมกันแล้วก็อยากไปถึงจุดมุ่งหมายนะั้นอันนี้เราทำด้วยแรงดนอดู่เหมือนกับนักเรียนนะถ้าเราเรียนหนังสือเนี่ยเราเรียนเพราะเรามีจุดมุ่งหมายว่าเราอยากจะเป็นหมอเป็นวิศวะเราอยากจะเป็นนักกฎหมายเป็นทนายความมีจุดมุ่งหมายเลยนะเราอยากจะเป็นนักวุทยาศาสตร์เราอยากจะสร้าง นวัต ก, กรรมเราก็จะมีความรักในวิชาเรียนโดยราะวิชาที่ทำให้เราไปถึงจุดมุ่งหมายนะั้นแต่นักเรียนเนี่ยจำนวนมากเนี่ยไม่มีจุดมุ่งหมายไม่รู้เรียนไปทำไมแต่ที่เรียนเพราะอะไรเพราะถูกบังคับนี่ไม่เรียกว่าเรียนด้วยแรงผลักพ่อแม่บังคับกลัวครูกลัวลงถูกลงโทษถ้าเราทำด้วยแรงผลังนะ มันไม่มีความสุขแต่เราทำเพราะแรงดึงดูดเพราะเรามีจุดมุ่งหมายข้างหน้าเป็นสิ่งที่เราชอบเป็นสิ่งที่เรานิยมเราฝังใฝ่การเรียนจะมีความสุขเรียนหนักแต่ ว, ว่ามีความสุขทำงานก็เป็นกันนะถ้าเรามีจุดมุ่งหมายและเป็นจุดมุ่งหมายที่ดีงามเราก็จะทำงานอย่างมีความสุข พรตอนนั้นเนี่ยเราเกิดฉันทะในงานความรักในงานทางพุทธศาสนาเรียกว่าฉันทะถ้ารักในการเรียนเราก็เรียกฝ่ายเรียนถ้ารักในการทํา ง, งานเราก็เรียกฝ่ายทําคนเราจะฝ่ายทํามีฉันทะเพราะเรามีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนแม้เหนื่อยเราก็ไม่บ่นมีความสุขด้วยซ้ํามันมีเรื่องเล่า ว, ว่ามีช่างก่ออิฐนะสคนทํางานใกล้ๆกัน ตอนนั้นก็เป็นประมาณสักนะสี่โมงเย็นแล้วคนแรกเนี่ยทำไปสักพักก็จอมแว้งไปไปสู่บุรีเวลาสู่บุรีก็สู่แบบอ้อยอิ่งแต่ขณะเดีวกันก็คอยกวาดตาดูมองไปรอบรอบเพราะไม่อยากให้เจ้านายมาเห็นพอเจ้านายไม่อยู่นี่ก็จะแกก็จะอ้อยอิ่งสู่บุรีนา น, านพอเจ้านายเริ่มมาแล้วเริ่มเห็นเจ้านายมาไกลไๆแกก็รี กลับไปทํางานก่ออิกคนที่สองเนี่ยทางานแย่นแข็งหน่อยแต่ว่าทำไปก็ดูนาฬิกาไปดูนาฬิกาเนี่ยคนที่สามเนี่ยทางานกระชับประเฉงเงือนี่เต็มหลังเลยนะเพราะว่าทํางานกระตือรือ้ น, นเมื่อไปถามคนแรกว่าเขาทำอะไรเขาตอบว่าผมก่ออิกไปถามคนที่สองทำอะไรผมกำลังก่อกำแพง พอถามคนที่สามเาตอบว่าผมกําลังสร้างวัดครับสามคนทํางานเหมือนกันเลยแต่ตอบไม่เหมือนกันและคําตอบเนี่ยมันเป็นคําอธิบายว่าทําไมสามคนมีพฤติกรรมที่ไม่เหมือนกันถามว่าใครทํางานมีความสุขมากที่สุดนึก อ, ออกไหมคนที่สามใช่ไหมถามว่าใครเหนื่อยมากที่สุดก็คนที่สาม ความเหนื่อยเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าจะมีความทุกข์ในการทํางานยิ่งมีความสุขในการทํางานเนี่ยมันก็ไม่กลัวเหนื่อยทําไมคนที่สามยังมีความสุขในการทํางานเพราะก็มองเห็นว่าสิ่งที่เขาทาเนี่ยมันมีคุณค่าคนแรกเนี่ยมองเพียงแค่ว่าก่อดอีกคนที่สองมองเพียงแค่ว่าก่อดําแพงแต่คนที่สามมันก็มองไกลอันนี้เรามีวิสัยทัศน วิสัยทํามันไม่ใช่เป็นเรื่ององค์กรยันเป็นเรื่องของปัจเจกหรือบุคคลด้วยเพราะมองเห็นไกลว่าสิ่งที่เขาทาเนี่ยมันกาลังเป็นการสื่อต่อศาสนาเป็นการทำบุญมันทำให้เขาเห็นคุณค่าในงานเขารักงานนี้เขาก็มีความสุขคนที่หนึ่งคนที่สองเนี่ยทำงานเพราะเงินเดือนเพราะค่าจ้าง คนที่หนึ่งเนี่ยอาจจะ ก, กลัวด้วยทํางานเพราะกลัวกลัวเจ้านายถ้าเจ้านายไม่อยู่ก็หลอยคนที่สองเนี่ยทางานเพราะความจําเป็นอยากได้เงินไม่อยากทําหรอกแต่ว่าอยากได้เงินอยากได้ค่าจ้างแต่ไม่อยากได้ค่าจ้างก็ต้องทำแต่ก็ทําแล้วก็คอยว่าเมื่อไหร่มันจะเลิม ง, งานสักทีดูนาฬิกานั่นแหละในองค์กรของเราเนี่ย ก็จะมีคนสามประเภทเนี่ยมีคนที่ทําเพราะอยากได้เงินเดือนแต่ไม่ได้ทำเพราะความรักไม่ได้ทำเพราะเห็นคุณค่าแล้วไม่รู้เลยว่าทําไปทําไมสิ่งที่ทำเนี่ยทำไปทําไมก็เห็นแค่ว่ากอดอีกถ้าทำด้วยความกลัวกลัวถูกเจ้านายจับจับได้ ว่ า, าจะไม่ขยันทำงานถ้าไม่มีเจ้านายอยู่ก็หรือไม่มีกล้องวงจรปิดอยู่ก็ก็าาหาทางอู้คนที่สองทำนะเพราะว่าเงินเดือนเหมือนกันคนที่สามจริงจริงก็มาทำเพราะต้องการค่าจ้างหรือเงินเดือนนะแต่ว่าเขามองไกลไปกว่า น, นั้นเราไม่ได้ทำด้วยแรงผลักแต่เขามีแรงดึงดูด รู้ว่าทำไปทำไมเห็นประโยชน์ของสิ่งที่ทํฉะนั้นคนเราเนี่ยถ้าเรามีฉันทะในงานนะเราจะมีความสุขสุขที่ได้ทำและฉันทะเกิดจากการที่เราเห็นคุณค่าของงานแล้วพวกเราทำงานเนี่ยนะทำงานโรงงานหรือทำงานบริษัทเนี่ยมองให้ไกลๆหน่อยว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันจะมีส่วนช่วยให้เกิดประโยชน์ กับประเทศชาติอย่างไรบ้างเราทำโรงงานผลิตน้ำตาลเนี่ยลองมองให้ไกลหน่อยว่ามันก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติอย่างไรบ้างอย่าไปมองเพียงแค่ว่าเราเพียงแค่ก่ออิดหรือว่าก่อกำแพงถ้าเรามองเป็นนะแม้ว่าเราจะเป็นคนสวนแม้ว่าแม้ว่าเราจะเป็นพานโรงแม้ว่าเราจะเป็นพนักงานบัญชี เราก็มีความสุขกับสิ่งที่เราทำเพราะเราเห็นคุณค่ามันมีเรื่องเล่าว่าที่อเมริกาเมื่อสักเกือบ60ปีที่แล้วเนี่ยมันมีเหตุการณ์อยงที่ทําให้คนอเมริกันตื่นตัวกันมากเหตุการณ์นั่นคือรัสเซียเนี่ยเขาสามารถจะส่งยานอาวากาศไปโคจรรอบโลกได้เป็นประเทศแรกตอนหลังก็มีนักบินวนักบินอวกาศเนี่ยถูกส่งไปโคจรรอบโลกเหมือนกันเป็นชาวรัสเซียอเมริกาเสียหน้ามาก พ่ออเมริกาเนี่ยเชื่อว่าตัวเองเป็นเป็นผู้นำด้านวิทยาศาสตร์เป็นผู้นำทุกอย่างรัเสเซียเป็นที่สองพอรัสเซียเนี่ยประสบความสำเร็จในเรื่องยานอาวกาศเป็นประเทศแรกในโลกอเมริกาก็ถือว่าเป็นวาระแห่งชาติเลยนะที่ต้องหาทางส่งมนุษย์ไปดวงจันทร์เป็นประเทศแรกในโลกองค์การนาซ่านี่ถือเป็น เป้าหมายสำคัญเือต้องส่งมนุษย์ไปดวงจันทร์ส่งชาวอเมริการไปดวงจันทร์ให้ได้ภายใน10ปีมีความกระตือรือร้นกันใหญ่งบประมาณจากรัฐบาลจากสภาก็ทุ่มเทไปที่องค์การนาซานักวิทยาศาสตร์ก็ถูกระดมกำลังกันมาทำงานก็มีนักข่าวเนี่ยวันหนึ่งก็ไปสัมภาษณ์ผู้อนวยการไปแต่เช้าเยประมาณเจ็ดกว่า ก็ไปเห็นคุณป้าคุณตนึงกำลังทำความสะอาดนะดูดฝุ่นเช้าตูเลยนะเจ็ดโมงก็หลังก็ไม่ค่อยทำงานก็หลงแ่ทำงานคนเดินแล้วก็แกก็ทำแบบกระตือรือร้นมากคล้ายๆกับช่างก่ออีกคนที่สามเพียงแต่เวลาที่แกทำเช้ายังไม่ใช่บา่ายหรือเย็นแล้วข่าวนั้นก็สนใจก็เลยไปถามเพื่อจะอยากรูว่าอะไรเป็นแรงจูงใจที่ทาให้แกกัมาทางานแต่ชา้าแลขยัน คุต้าก็บอกว่าเนี่ยที่แกมาทํางานเนี่ยสิ่งที่แกกำลังทำเนี่ยนะมันเป็นการช่วยให้ประเทศชาติเนี่ยสามารถจะส่งนัก บ, บินอวกาศไปเหยียดดวงจันได้เป็นประเทศแรกแค่ทําความสะอาดดูดฝุ่นเนี่ยนะแกถือว่าสิ่งที่แกทำเนี่ยมันเป็นการช่วยชาติระหว่างการส่งนัก บ, บินอวกาศไปดวงจันกับการดูดฝุ่นในออฟฟิศนีนะ่มันห่างไกลกันเยอะเลยนะเขาไม่ได้เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ พิจารเรื่องยานอาวกาศเขาไม่ได้เป็นนัก บ, บินอวกาศเขาเป็นแค่คนทำความสะอาดแต่ก็เห็นว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันคือการช่วยชาติแกก็เลยขยันไงเดินๆแกอาจจะไม่มากนะแต่ว่าแกขยัน <c oughs> เห็นไหมว่าเนี่ยคนเราเนี่ยถ้าเราถ้าเราเห็นคุณค่าของงานที่เราทำความรักในงานก็จะเกิดและเมื่อรักในงานความสุขก็จะ ตามมาแล้วถ้าเราเป็นหัวหน้าแล้วเรามีลูกน้องแบบนี้เราสบายมากเลยเราจะมีความสุขมากเลยแล้วเราจะมีความสุขมากขึ้นถ้าเราเองนะเราก็มีท่าทีแบบนั้นเหมือนกันคือทํางานอย่างมีความสุขเพราะรู้จุดมุ่งหมายเห็นคุณค่าของงานนั้นเป็นคุณค่าที่มากไปกว่าเรื่องของเงินเดือนนะแต่มันเป็นเรื่องของจิตใจ บางทีการเห็นคุณค่าของงานมันอาจจะไม่ใช่เป็นเรื่องใหญ่โตอะไรเลยนะมันอาจมันเป็นเพียงแค่การรู้จักมองมีหมอคนหนึ่งนะแกเล่าว่าช่วงหนึ่งแกก็ลาออกจากราชการไปช่วยงานบริษัทของพ่อพ่อที่เป็นนักธุรกิจใหญ่ที่ทํา ง, งานของพ่อเนี่ยมันก็เป็นตึกหลายชั้นนะแล้วก็มีมีลานจอดรถ วันวนหนึ่งมีรถเข้าออกเนี่ยเป็นร้อยร้อ ย, อยคันหลายร้อยคันนะแล้วแกก็สังเกตว่ามีพนักงานขุมรถเข้าออกคนหนึ่งเนี่ยแกเห็นมาตั้งแต่เล็กแล้วทํางานให้กับพ่อนี่มาโหเรียกว่าตั้งแต่หนุ่มเนจนกระทั่งแกหกสิบกว่าแล้วแกทํางานกระตือร้นมากไม่ว่าฝนตกแดดออกนะแกก็ไม่เคยอู้เลยมาเชอากับขํา วันหนึงแกก็เลยจอดรถไปคุยสนใจถามว่าลุงเนยฉพาะตำแหน่งเนี่ยหน้าที่เนี่ยลุงทำมากี่ปีแล้วไอหน้าที่ขุมรถเข้าออกเนี่ยแกบอกคุณหมอผมทำมาสิบกว่าปีแล้วสิบกว่าปีชเชลล์โอ้แล้วไม่เบื่อเหรอคุณหมอจะเบื่อได้ยังไงผมอยู่ตรงนี้เนี่ยคุณหมอที่จุนนะ เวลาผมบอกให้รถหยุดเนี่ยนะรถทุกคันก็ต้องหยุดแม่ก็ต้องลดของคุณพ่อซึ่งเป็นู้ซึ่งเปเจ้าของนะตอนเมื่อมผมกวักมือเนี่ยนะรถจึงจะเข้ามาได้ถ้ามันจะเบื่อได้ยังไงคือแกก็ไม่คิดอะไรไกลนะแต่แกคิดเแค่ว่าสิ่ที่แกทําเนี่ยมันมีความสําคัญแกเป็นคนสําคัญคนหนึ่งแกเป็นคนสําคัญตรงนั้นสําคัญที่ว่าสั่งให้พ่อ หรือถ้าแม่เจ้าของบริษัทเนีหยุดก็ได้สั่งให้ต่อเมื่อกวักมือถึงจะเข้ามาได้เจ้รู้จักมองนะเงินเดือนแกก็ไม่ได้เยอะอะไรแต่จะรู้จักมองแกเห็นว่างานที่แกทําเนี่ยมันมีคุณค่าแกเป็นคนสําคัญอันนี้มันชี้เลยนะคนเราเนี่ยถ้าเราให้คุณค่ากับงานนะงานก็ให้คุณค่ากับเราถ้าเราให้คุณค่ากับงานนะ งานก็ไม่ให้คุณค่ากับเราเราทำเราก็เบื่อเราทำเราก็เซ็งหลายคนรู้สึกว่าทำงานไม่มีคุณค่าเพราะว่าเงินเดือนน้อยเพราะว่าตำแหน่งเล็กพราะไม่มีรถประจำตำแหน่งเพราะไม่มีสวัสดิการมากมายคนอย่างนี้นะแม้จะเป็นผู้จัดการก็ไม่มีความสุขต่างใดที่เราไม่เห็นไม่เห็นคุณค่าของงานที่เราทำเราจะรู้สึกว่างานมีคุณค่าเนี่ยนะ เราคิดว่าเราจะมีคุณค่าได้ก่อนเสมอเราคุณให้คุณค่ากับงานนั้นงานนั้นก็จะให้คุณค่ากับเราถ้าเราไม่ให้คุณค่ากับงานงานก็ไม่ให้คุณค่ากับเราดันั้นใครจะรสึกว่าฉันไม่มีคุณค่าเนี่ยนะคําถามไม่ได้เป็นเพราะว่างานที่เราทำมันจิตจอยแต่เป็นเพราะเราไม่ให้คุณค่ากับงานนั้นต่างหากถามใจตัวเองว่าเราให้คุณค่ากับงานที่เราทําหรือยังถ้าเราให้คุณค่ากับงานที่เราทํา งานนั้นก็กลับมาให้คุณค่ากับเราแม้จะไม่มีเงินเดือนเลยนะเราก็มีความสุขอาตมาเคยไปประเทศไต้หวันนะไปดูงานของมูลนิธิ่ฉือจี้ซึ่งเป็นมูลนิธิที่ใหญ่มากมีสมาชิก 20-25 เซของประชากรไต้หวันมันใหญ่กว่าธรรมกายเยอะเลยนะสมาชิก1ใน4 1ใน5ของประเทศนะรวยมาก แต่ว่าเงินที่เขาได้ได้เนี่ยเขาไปใช้ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์หมาวเทัาายโรงเรียนแพทย์วิทยาลัยพยาบาลสถานีโทรทัศน์คุณธรรมและที่สำคัญเนีคือสถานีสถานีรีไซเคลิลสถานีแยกขยะขยะทุกชนิดน่าจะเป็นกระดา พลาสติกขวดเครื่องไฟฟ้าก็จะมีอาสาสมัครมาแยกสิ่งที่ใช้ได้ก็เอาไปรีไซเคิลสิ่งใช้ไม่ได้ก็ไ ป, ไปแปรรูปอย่างอื่นอาสาสมัครทำทนั้นและาสาสัส่วนใหญ่นะ 95% เป็นี่ยเป็นคนแก่มีอาซิมามาเนี่มันนั่งยองๆฉีกกระดาษออกจากหนังสือพิมพ์หรือว่าดึงขวดพลาสติกออกจาก ดึงดึ ง, ด, งดึงจุกพลาสติกออกจากขวดน้ำดื่มหรือว่าแยกเอาทองแดงออกมานั่งยองๆคนเรานี่นี่จริงๆนะดูภายนอกก็เป็นอาม่าอาแปะนะแต่จริงเคยเป็นวิศวกรเคยเป็นพยาบาลเคยเป็นผู้จัดการเคยเป็นสถาปนิกเนะี่ยผู้นี้เขาศรัทธานะเขาถือเขามาทำบุญมีคนหนึ่งนะ<ม>เป็นคุณลุง แกบอกว่าแกเนี่ยแกบอกตัวเองแกเนี่ยผมอบบเป็นขยะคืนชีพขยะคืนชีพพอได้มาทํานี้แล้วเนี่ยมันเหมือนเป็นขยะคืนชีพแ ก, กวัดลางที่แ ก, กเกษียณ น, นะแม้ว่าจะมีเงินเก็บเยอะแต่อยู่บ้านเนี่ยกินกินนอนนอนดูโทรทัศน์เนี่ยมันไม่ได้มีความสุขเลยนะคนแกที่ไต้หวันเนี่ยไม่เหมือนคนแก่บ้านเรานะคนแก่บ้านเราอาจจะเลี้ยงหลาน ถ้าเป็นคนชนตรก็าจะสารกระบุงตักท่าแต่คนเกษียณในไต้หวันหรือในประเทศที่ร่ํารว ย, ยแก่แล้วก็ไม่มีอะไรทําได้แต่เที่ยวตูหนังสังสรรแต่แกก็เบื่อนะรู้สึกตัวเองเป็นขยะไม่มีคุณค่าแต่พอแกได้มาทํางานเนี่ยแม้จะเป็นงานงานแบบที่เหมือนกับเป็นงานจับกังนะจะรู้สึกมีความสุขมีชีวิตชีวา ความสึกที่เป็นขยะนี่มันเปลี่ยนไปแกให้คุณค่ากับงานที่แกทำว่ามันคือการช่วยมุญินที่เฉื่อยจี้นะซึ่งเป็นองค์กรศาสนาแกถือว่าแกกำลังช่วยทำให้โลกมันดีขึ้นแกมาเป็นจิตอาสาเพื่อช่วยทำให้งานบุญเนี่ยมันแพร่กระจายไปได้ไกลไม่มีเงินเดือนนะที่ทำงานก็ไม่ได้รู้ราอะไรเรียกว่าแสนจะสมัท ต่แก่มีความสุขพ่อแกให้คุณค่ากับงานที่แกทำงานนั่นก็กลับมาบมรุงใจแกงานนั่นก็กลับมาให้คุณค่ากับแกนะขยะนี่เปลี่ยนไปเลยนะไม่รู้สึกว่าเป็นขยะนะแล้วไอ้งานนี่มันมีคุณค่านะมันให้อะไรเราหลายอย่างมันไม่ใช่เพียงแค่ให้รายได้กับเรามันจะให้ความรู้สึกเต็มอินมมันจะให้ความรู้สึกว่ามันจะให้ความสุข ความรู้สึกว่าชีวิตมีคุณค่ามีความหมายทำงานแล้วเนี่ยนะมันทำให้ชีวิตมีคุณค่าแต่ก็อย่างว่าเนี่ยเราต้องให้คุณค่ากับงานนั้นงานนั้นมันถึงมาเติมเต็มจิตใจเราถึงจะทำให้ชีวิตเรามีคุณค่านั่นอีอเป็นหลักพื้นฐานเลยนะเป็นหลักการทำงานซึ่งบางทีเนี่ยมันไม่มีสอนในหมหาวิทยาลัยนี้อะไรโรงเรียนโรงเรียนก็สอนแต่ ความรู้หมายเท่าไรก็สอนทักษะแต่ว่าไอการที่จะมีมุมมองเนี่ยเพื่อเกิดฉันทะในงานเป็นคุณค่าของงาน เ, นเราต้องต้องมองด้วยตัวเราเองแล้วมันจึงจะมีความสุขแล้วพอมีความสุขแล้วนะ mm. เหนื่อยแค่ไหนเนี่ยนะเราก็ไม่รู้สึกทุกข์อะไรเลยเหมือนกับแม่ในแม่ที่เหนื่อยนะในการดูแลลูกน้อย อาจจะไม่ได้หลับไม่ได้นอนแต่ว่าแ ม, แม่ก็มีความสุขแม่ตื่นเช้ากอนลูกแม่หลับทีหลังลูกแต่แม่มีความสุขสุขใจเพราะว่ารักในสิ่งที่ทำอันนี้เลยเป็น <c oughs> เป็นเรื่องของแรงเป็นเรื่องของแรงจูงใจที่เราต้องมีก่อนที่เราจะทำอะไรก็ตามและถ้าเรามีแล้วเนี่ยมันก็ทำให้เราทำงานมีความสุขไม่ต้องรอความสุขเมื่องานเรนเสร็จ การที่รอความสุขเมื่องานเสร็จเนี่ยทุกทุกว่าเมื่อไหรจะเสร็จเมื่อไรจะเสร็จเราต้องมีความสุขขณะที่เราทํางานเหมือนกับเราเดินทางไปเที่ยวเนี่ยเราจะเดินทางไปเขาใหญ่เราจะเดินทางไปภูกระดึงเราจะเดินทางไปภูเก็ตไปเซมิลันเนี่ยนะถ้าไปรอถ้าเรารอความสุขเมื่อไปถึงที่นั่นนะบางทีเราทุกนะเวลาเจอรถติดเวลาจากเวลา ลูกหรือเมียตื่น้ายทําให้เดินทางชา้าคนเราถ้าไปรอความสุขเมื่อถึงจุดหมายเนี่ยเราจะลืมสิ่งสวยงามสองข้างทา ง, ก, ทา ง, า ง, ก, งก่อนที่เราจะไปถึงเขาใหญ่ถึงภูกระดึงก่อนที่เราจะไปถึงซิมิลันเกาะเต่าเนี่ยนะมันมีสิ่งสวยงามให้เราเห็นเนี่ยอยู่สองข้างทางต้องรู้จักเก็บเกี่ยวความสุขความสวยงามเนี่ยระหว่างทางและเราจะไม่เบื่อว่าเมื่อไหร่มันจะถึงสักที ต้องนานทำงานกเหมอนกันนะ่าจะไปรอความสุขเมื่อมันเสร็จแต่ว่าให้มีความสุขทุกขณะที่ทำและถ้าเรามีความสุขทุกอาที่ทำนะมันจะรู้สึกมันก็ว่าเสร็จตลอดเวลาอาจารย์พุทธทาสเนี่ยท่านตอนที่สร้างสวนโมกมาได้สัก 20- 30ปีเนี่ยก็เริ่มมีการสร้างอาคารหลายแห่ง แต่ละอาคารใช้เวลาเป็นเกือบสิบปีนะเพราะว่าท่านใช้กําลังพระเนนมาสร้างมีข่าวที่ทสร้างอาคารที่ยที่ชื่อว่าธรร ม, มานาววาเป็นเรือสําหรับเก็บน้ําฝนแล้วก็เป็นที่ที่คนจะได้มาทําวัดสวนเมื่เวลาฝนตกก็สร้างมาเป็นปีแล้ววนะันนึงก็มีโยมมาถามท่านว่าเรืออัาจารย์เรือเสร็จหรือ ย, อยัง เรือนี่คือชื่อของธรรมนาวาทั้งตอนเสร็จแล้วท่านแกก็ดีใจแต่ใจนึงก็โยมคนนั้นก็ดีใจแต่ใจนึงก็สงสัยเมื่อสองสมเดือนก่อนเรามาดูมันยังไปได้แค่ครึ่งเดียวทําไมเสร็จเร็วจังก็ไปดูเพราะว่าเรือก็ยังไปได้ไม่ถึงไหนยังสร้างไปได้ไม่ถึงไหนแปลกใจก็เลยมาถามท่านอ า, า, า, า, าจารย์ว่าท่านอาจารย์ทําไมท่านอาจารย์ถึงว่าเสร็จแล้วท่านบอกเสร็จเนี่ย วันนี้เสร็จพรุ่งนี้ก็เสร็จมะลืนก็เสร็จเสร็จทุกวันนะคือเวลาท่านทํางานเนี่ยหลายคนเนี่ยจะมีความทุกข์ว่าเมื่อไรมันจะเสร็จเมื่อไรมันจะเสร็จนะกลับบ้านแล้วก็ยังกังวลถึงงานวันพรุ่งนี้แต่ถ้ายาวูดท่านเนี่ยนะเวลาท่านทํำก็ทําจริงจังนะแต่พอถึงเวลาเลิกงานเนี่ยท่านไม่ใช่แต่วางวางคอนวางอุปกรณ์ท่านวางงานออกจากใจเลยท่านวางงานลงจากใจ ความรู้สึกเหมือนกับความสึกความสึกโปร่งเบาสบายเมื่อคนที่ทำงานเสร็จแล้วเวลาเราทำงานเสร็จเนี่ยเราก็สึกโปร่งเบาใช่แต่เราคนส่วนให ญ, ญ่ความสึกโปร่งเราก็ต่อเมื่องานมันเสร็จสิ้นเรียบร้อยแต่ท่านยุธาเนี่ยในงานไม่เสร็จแต่ท่านก็รู้สึกมันก็เสร็จแล้วคือท่านวางมันลงไปจากใจการทำงานบางทีเราก็ต้องรู้จักปล่อยวางมนนะหลายคนทางานมีความทุกข์เครียด เครียดกับงานที่ยังคาอยู่ผ้าชิ้นกังวลว่าเมื่อไหร่จะเสร็จไอ้งานที่ทําเฉพาะหน้ายังไม่ได้ทำให้เราทุกข์เท่าไหร่แต่ทุกข์เพราะาไปคิดข้ามช็อตไปบันทีก็คิดถึงลูกนะทำงานเวลาทํางานก็นึกถึงลูกห่วงลูกเลยทํางานไม่มีความสุขงานก็ออกมาไม่ดีครั้นเวลากลับไปบ้านอยู่กับลูกแทนที่จะอยู่กับลูกด้วยใจเต็มร้อยก็นึกถึงงาน แปลกนะเวลาทํางานนึกถึงลูกเวลากลับมาอยู่กับลูกนึกถึงงานเนี่ยเวลาเวลาจะนอนก็นอนไม่หลับเพราะนึกถึงงานวันรุ่ขึ้นตื่นมาทํางานก็ง่วงเพราะว่าเมื่อคืนนอนไม่หลับปัญหานี้แก้ง่ายนิดเดียวนัเวลาทํางานใจก็อยู่กับงานวางเรื่องลูกลงเวลากลับมาบ้านอยู่กับลูกใจก็อยู่กับลูกวางเรื่องงานลงเวลาทํางานเอาเวลาจะนอนก็วางเรื่องงานซะจะได้นอนหลับ วันรุ่งขึ้นตื่นมาจะได้มีเรื่องมีแรงเต็มที่ทํางานเลื่อใจอยู่กับปัจจุบั น, ใ น, ใน เ, นเนลนนนะื่อใจอยู่กับปัจจุบันอันนี้เป็นเคล็ดลับในการทํางานนะใจอยู่กับปัจจุบันทําเวลาทาอะไรใจอยู่กับงานเวลาทางานอะไรเนี่ยใจอยู่กับงานนะั้นอย่าเพิ่งไปสนใจงานอื่นทํางานตอนเช้าใจก็อยู่กับงานตอนเช้าอย่าเพิ่งไปสนใจงานตอนบ่ายกลางดึกตอนเย็นคุณจะรู้สึกเลยนะว่ามันสบายขึ้นโปร่งเบาขึ้น เวลาเดินทางเนี่ย ใ, ใจมุ่งอยู่กับปัจจุบันอย่าเพิ่งไปสนใจจุดหมายปลายทางหลายคนเนี่ยเวลารถติดเนี่ยเครียดเพราะใจม่คิดไปข้างหน้าแล้วว่าถ้ารถติดแบบนี้นานๆเนี่ยเดี๋ยวจะไปทำงานช้าส่งลูกสายผิดนัดสำคัญหรือว่าตกเครื่องบินถามว่าเกิดขึ้นหรือยังยังไม่เกิดแต่ทุกไปเรียบร้อยแล้วเพราะอะไรเพาะคิดข้ามชอตเนี่ย ความวิตกกังวลเนี่ยเริ่ดแล้ล แ, ลแต่เกิดจากการที่คิดไปถึงอนาคตยังมาไม่ถึงพาจิตกรรมมาอยู่กับปัจจุบันซะอย่างที่เรามาฝึกตอนนี้เรามาฝึกเพื่อจิตมาอยู่กับปัจจุบันฝึกเพื่อให้วางฝึกให้ใจวางเรื่องงานเรื่องลูกอยู่กับปัจจุบันแล้วเอามาใช้กับงานเราจะทำงานอย่างมีความสุขจะมีความสุขทุกขณะที่ทำงานไม่ต้องรอให้งานมันเสร็จถึงจะสุขถึงจะสบายถึงจะโปร่งโล่ง แล้วเราก็ฝากเอาไว้เท่านี้มีใครสงสัยไหมไปพูดครึ่งชั่วโมงใช่ไหมนี่ก็แถมมาสิบห้านาทีมีข้อสงสัยอะไรไหมถ้าไม่มีก็อขอให้สิ่งที่พูดมาเนี่ยเป็นเครื่องช่วยเตือนใจให้เราเห็นความสำคัญขการที่เรามาฝึกสิ่งที่เราฝึกตอนนี้จะเป็นการเตรียมให้เราเนี่ยมีใจพร้อมมีศิละปะในการที่จะกลับไปทํางานอย่างมีความสุข แล้ไม่ใช่แค่นั้นนะมันทําให้เราสามารถจะใช้ชีวิตมีความสุขด้วยก็ขอให้การปฏิบัติของเราเจริญก้าวหน้านะ<ม>เพื่อที่จะนาพาสติให้เพื่อให้สติเจริญงอกงามแล้วก็นําพาชีวิตของเราให้มีความสุขทั้งในการทํางานแล้วการดําเนินชีวิตท่ามกลางผู้คนทั้งกับครอบครัวคนรักแล้วก็กับพิสหายที่อยู่ไกลออกไปแขอเจริญพร